สองสามเกโอ้เออเพื่อคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ําแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านเป็นวันนากระสัตรส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงนางทาสีท่านไม่ควรจะรับน้ําจากมือของคนวรนนาต่ําเช่นข้าพเจ้าเลย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 อันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็คิดหลงไหลในหีบศกนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศกแม้ภายนอกจะงดงามเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในนั้นมีสิ่งปฏิกูลอันพึงรังเกียจนางโกกีลาได้ฟังพระศาสดาตรัสอยู่อย่างนั้น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 ไฟคือราคะภายในจิตใจของนางนั้นยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำไหนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอานนุได้แต่เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดต่อไปดีนางจึงได้แต่ทูลลาพระศาสดาและพระอาหนุนกลับไปแม้กระนั้น นางก็ไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอานนุนด้วยความเสน่หา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 กับพสุนีทั้งหลายคงจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราทุกวันเป็นแน่เราจะต้องรีบไปขอลาออกบวตกับนายของเราเสียดยูนี้หลังจากนั้นานางโกกีลาก็ไม่ได้รอชา้ารีบเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา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 วดของนางนั้นก็เปรียบเสมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงการได้เห็นพระอานุ์ขณะให้โอวาดแก่ภิกษุณีบริษัททุกเวลาบ่ายทำให้นางนั้นไม่อาจดับไฟรักในใจลงไปได้แม้จะพยายามคมด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็ตามที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 ใต้กำแพงสีเหลืองแห่งกาสาวพักนางพยายามสะกดใจมิให้คิดถึงพระอานนุนพยายามท่องบนพระธรรมวินยัยแต่ทุกขณะ จ, จิตที่ว่างลงดวงใจของนางก็จัดคร่ำครวญถึงพระอานนุ์อีกนางรู้สึกปวดศีรษะแล้ววิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่น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 ทั้งน้อยใจเสียใจและเจ็บใจในตนเองพระอนอนหรือก็ช่างใจไม้ใรกระกจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างหรือก็ไม่มีเลย ใกล้ๆได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงโกกีลามีเรื่องอะไรหรือเจ้าร้องไห้ทำไมกันอ๋อสุม i t ราไม่ไม่มีอะไรหรอกข้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมาก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 ชีวิตของเรานี้ช่างต็มไปด้วยความเป็นธาตุเมื่อก่อนบวญก็เป็นธาตุทางกายพอปลีกจากธาตุทางกายมาได้ก็มาตกเป็นธาตุทางใจเขาอีกแน่นอนทีเดียว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 แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่ๆก็คือพระอานน์พุทธอนุชาพระอานนนทำไมหรือโกกีลาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินแปลกจังท่านไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยนี่เปล่าเปล่าดอกเขาเป็เจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระสาัาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ข้าดีใจ จนควบคุมตัวเองไม่ได้นะใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละกะกลาดีใจที่จะได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังมัทุระาสิทธิ์ของพระมหาเถระทั้งพระษารีบุตรพระมหากษปะหรือพระอานนนาและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง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 อาตมาขอโทษด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บตรงไหนบ้างไหมเสียงเรีย บ, ยบแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอานุนจเสมือนน้ำทิพชลมใจนางให้ชื่นบานนางช้อนสายตาขึ้นมองพระอานนุนแวบหนึ่งแล้วกลับก้มหน้าต่อไป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 อนิตจาจ ก, กีฬาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วด้วยความเมตตาแก่นางพระอานน์ก็มาเยี่ยมนางพร้อมกับพระรูปหนึ่งที่เป็นปัจฉาสมณนะด้วยความสงสารและเวทนา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 คงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้พักดีต่อเราตลอดมาเมื่อปรารกได้ดังนั้นพระอานนุนก็กล่าวกับนางอย่างเยือกเย็นและนุ่มนวลเช่นพี่ชายสอนน้องหญิงโกกิลาเออยชีวิตนี้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 และเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปอาตจจมานั้นเกิดแล้วในสักยะวงอันมีศักด์เมื่อตัดสินใจออกบวชติดตามพระพุทธองค์ก็มีอายุได้สามสิบหกปีจึงกล่าวได้ว่าเคยผ่านความรักมาแล้วและได้ประจักษ์ว่า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 ธรรมดาว่าไม้จันนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัดเสดินเข้าลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรม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 นางสะอึกสะอื้นจนเทิมสั่นไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกเพราะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ความรักของนางนี้ได้รับการตอบสนองเลยแม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอา น, นุนี้ได้เชื่อในอาการลวมของนางเลย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 พระอริยะแท้ภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะของพระอานุนต้องเบือนหน้าหนีไปทางหนึ่งด้วยเกรงว่าจะไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นนานภิกษุนีโกกิลาจึงกล่าวออกมาข้าแต่พระคุณเจ้า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 เมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดมาช่วยกันกระพือสันติสุขให้แกโลกที่ร้อนระอุนี้จะไม่ดีกว่าหรือข้าแต่ท่านผู้อริยวงกายกรรมวจีกรรมที่ข้าพเจ้าล่วงเกินท่านและจะพึงขอโทษนั้น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 ยอมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกนั้นเรากล่าวว่าตันหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกตันหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนา